จเจริญพรท่านผู้มีจิตเมตตากรุณาใจบุมใจกุศลทุกทุกท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่13มีนาคมพุทธศักราช2559เป็นวันที่ท่านทั้งหลายมีเวลาว่างจากภารกิจการาต่างๆจึงได้ตั้งใจมาวัด เพื่อมาทำบุญทำทานมารักษาศีลมาปฏิบัติธรรมมาฟังเทศฟังธรรมด้วยศรัทธาความเชื่อในความรู้ความสามารถของพระพุทธเจ้าและของพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ที่สามารถ จะนำออามาสั่งสอนให้พวกเราได้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดให้เราไปสู่พระนิพพานที่มีแต่ความสุขไม่มีวันสิ้นสุดเกิดจากการที่เราได้มาพบกับพระพุทธศาสนาแล้วเกิดจากการมีศรัทธา มีความเชื่อว่าพระพุทธเจ้าได้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดแล้วได้ไปถึงพระนิพพานแดนแห่งความบรลมสุขแล้วก็มีความปรารถนาที่อยากจะเดินตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลายได้นาได้นำเนินไป ยึงได้ตั้งใจมาวัดกันอย่างสม่ำเสมอเพื่อศึกษาฟังเทศฟังธรรมเพื่อที่จะได้รู้จักวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องที่จะนำมาซึ่งผลที่ปรารถนากันการศึกษานี้เป็นเหมือนกับการดูแผนที่ถ้าเราจะเดินทางไปในทางที่เราไม่เคยไป ถ้าเราไม่มีแผนที่เราก็จะไม่รู้ว่าทางทิศทางไหนเป็นจุดหมายปลายทางที่เราต้องการไปแต่พอเราเปิดแผนที่ดูเราก็จะรู้ว่าจุดหมายปลายทางของเรานั้นอยู่ตรงไหนต้องเดินทางไปด้วยถนนเส้นใดทางเส้นใดพอเราออกเดินทางไม่ช้าก็าเร็ว เราก็จะต้องถึงจุดหมายปลายทางอย่างแน่นอนดังนั้นในเบื้องต้นสิ่งที่เราต้องทำกันก็คือเราต้องศึกษาแผนที่เพื่อให้เราจะได้รู้ว่าเราจะเดินทางไปได้อย่างไรการที่เราจะศึกษาเราก็ต้องมีศรัทธามีความเชื่อในคำสอนคำบอก ของผู้ที่บอกทางของผู้ที่เขียนแผนที่ให้กับเราถ้าเราไม่มั่นใจเราไม่เชื่อหรือสงสัยก็จะทำให้เราไม่กล้าออกเดินทางไปตามแผนที่นั้นเพราะกลัวว่าเดี๋ยวจะถูกหลอกแล้วจะไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางที่ต้องการจะไปแต่ถ้าเราเชื่อว่า ผู้ที่บอกทางเราผู้ที่เขียนแผนที่ให้กับเรานี่เป็นผู้ที่ไปถึงจุดหมายปลายทางที่เราต้องการไปแล้วและรู้ทางอย่างชัดเจนไม่มีความสงสัยใดๆถ้าเรามีความเชื่อมั่นเราก็จะสามารถมีความมั่นใจที่จะ ออกเดินทางไปให้ถึงจุดหมายปลายทางที่เราปรารถนากันได้พระพุทธเจ้านี้เป็นบุคคลแรกที่ได้ทรงพบทานแห่งการสิ้นสุดของการเวียนว่ายตายเกิดเป็นผู้พบทานที่พาไปสู่พระนิพพานหลังจากนั้นพระองค์ก็ทรงเอาความรู้ดีมาเผยแผ่สั่งสอน ให้แก่ผู้ที่มีความสนใจผู้ที่มีความปรารถนาที่จะออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดพอเขาได้ยินได้ฟังคำสอนได้ยินได้ฟังวิธีการปฏิบัติเพื่อทำให้จิตของเขาได้หลุดพน้นเขาก็ปฏิบัติตามกันพอปฏิบัติตามแล้วเขาก็ได้หลุดพ้นอย่างที่พระพุทธเจ้า ได้ส่งสอนไว้ทุกประการในเบื้องต้นนี้เวลาที่เราได้ยินได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจา้าสิ่งหนึ่งที่เราควรกระทาก็คือควรมีความเชื่อไว้ก่อนแต่ความเชื่อนี้ไม่ได้หมายความว่าเชื่อแบบร้อยเปอร์ซ็คือเชื่อแบบฟังหูไวห้หูเชื่อแบบไม่ปฏิเสธเพราะว่าถ้าเราปฏิเสธ เราก็จะไม่รู้ว่าคาสอนของพระพุทธเจ้านี้เป็นคาสอนที่ถูกต้องตามความเป็นจริงหรือไม่ให้เราเชื่อเพื่อเราจะได้เอาไปทดลองเอาไปพิสูจน์ดูเหมือนกับเวลาที่เราไปหาหมอแล้วหมอเขาให้ยาม า, าก็ต้องเชื่อหมอว่ายาที่หมอให้มานี้จะรักษาโรคของเราได้ เราก็รับยามาแล้วก็ลองรับประทานยาที่หมอให้มาถ้ารับประทานไปแล้วเราหายจากโรคภัยไข้เจ็บก็แสดง ว, ว่าหมอไม่โกหกหมอรู้ว่าวิธีรักษาโรคของเราต้องกินยาชนิดใดอย่างไรพอเราทาตามที่หมอสั่งเราก็หายจากโรคภัยไข้เจ็บเราก็เชื่อว่า เราก็รู้เลยว่ายานี้เป็นยาวิเศษรักษาโรคภ ไ, ไข้เจ็บของเราได้แต่ถ้าเราไม่เชื่อหมอไม่รู้ว่าหมอคนนี้จบมาจากที่ไหนเป็นหมอจริงหรือหมอปลอมยาที่ให้มาไม่รู้ว่ากินไปแล้วจะเป็นหรือจะตายอย่างไรเราก็จะปฏิเสธไม่กล้ากินก็ได้ถ้าเราปฏิเสธเราก็จะไม่มีวันรู้ ว่ายาที่หมอเขาให้มานี้จะรักษาโรคภัยไข้เจ็บได้หรือไม่ฉันใดพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่พวกเราได้ยินได้ฟังกันอยู่นี้ <c oughs> ก็เป็นเหมือนอยารักษาโรคความทุกข์ใจของพวกเราแต่เราก็ไม่รู้ว่าจะรักษาได้หรือไม่ถ้าเรายังไม่ได้ทดลองปฏิบัต ําตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนถ้าเกิดเราไม่เชื่อเราปฏิเสธเราก็จะไม่มีวันรู้ว่าคําสอนของพระพุทธเจ้านี้เป็นคําสอนที่สเป็นสวากขาโตภะกวตาธรรมโมหรือไม่คือเป็นความคาสอนที่ตรงกับความจริงทุกประการเราจะรู้ว่าเป็นหรือไม่เป็นนี้เราต้องนำเอาไปปฏิบัติเท่านั้น คนอื่นไม่สามารถพิสูจน์ให้กับเราได้ถึงแม้ว่าคนอื่นเขาจะรับปากรับรองว่าเขาได้พิสูจน์แล้วดีอย่างนั้นดีอย่างนี้ถูกต้องทุกอย่างทุกประการแต่ถ้าเรายังไม่ได้ทดสอบทดลองด้วยตัวเราเองเราก็จะไม่มีวันรู้ได้อย่างร้อยเปอร์เซนตถ้าเราอยากจะรู้อย่างร้อยเอร์ซและรับประโยชน์จากคำสอนของพระ พ, พุทธเจ้า เราก็ต้องยอมเสี่ยงยอมเชื่อพระพุทธเจ้ายอมถูกโกหกสักครั้งหนึ่งอย่างน้อยเราก็จะได้รู้ว่าพระพุทธเจ้านั้นโกหกหรือไม่โกหกถ้าเราไม่พิสูจน์เราจะไม่รู้คนอื่นมาบอกเราเราก็ไม่มั่นใจว่าเขามาโกหกเราหรือไม่บางคนก็จะมาบอกว่าคำสอนของพระพุทธเจ้านี้เป็นคำโกหกปฏิบัติไปก็ไม่ได้รับผล บางคนก็มาบอกว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าปฏิบัติแล้วจะได้รับผลทุกประการแล้วเราจะเชื่อใครจะเชื่อคนที่ปฏิเสธหรือจะเชื่อคนเชื่อเราก็ไม่รู้อีกว่ า, วาคนที่ปฏิเสธหรือคนเชื่อนี้เขารู้จริงเห็นจริงหรือไม่เขามีความปรารถนาดีกับเราจริงหรือไม่ก็าอาจจะไม่มีความปรารถนาดีกับเราก็ได้ ถ้าเขารู้ว่าถ้าเราปฏิบัติแล้วเราจะหลุดพ้นจากกองทุกข์แต่เขาไม่อยากให้เราหลุดพ้นเขาก็จะบอกว่าอย่าไปเชื่อคำสอนของพระพุทธเจ้าปฏิบัติไปแล้วไม่ได้ผลแต่อย่างใดในทางตรงกันข้ามคนอีกคนหนึ่งเขาก็อยากจะให้เขาก็กลัวว่าเราจะถูกพระพุทธเจ้าหลอกเขาก็มาบอกเราว่าอย่าไปเชื่อ ถ้าเป็นอย่างนี้เราก็ไม่มีวันรู้ว่าจะเชื่อใครดีเราต้องพิสูจน์ด้วยตนเองคำสอนของพอระพุทธเจ้านี้ต้องเอามาปฏิบัติถึงจะรู้ว่าเป็นคำสอนที่ได้ผลหรือไม่ได้ผลอย่างไรได้ผลดีหรือไม่ได้ผลดีถ้าเราไม่พิสูจน์ด้วยตนเองเราจะไม่มีวันรู้และเราจะไม่มีวันที่จะได้รับผล ของการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าดังนั้นขอให้พวกเรายอมโง่สักครั้งหนึ่งเถิดยอมให้พระพุทธเจ้าหลอกเราสักครั้งหนึ่งด้วยการเชื่อพระพุทธเจ้าร้อยเปอร์เซ็์พระพุทธเจ้าสอนให้ทําอะไรทําไปเถิดแล้วถ้าพระพุทธเจ้าโกหกเราเราจะได้หายสงสัยเราจะได้ไม่ต้องมาวัดอีกต่อไป ไม่ต้องมาฟังเทศฟังธรรมให้เสียเวลาถ้าเราพิสูจน์แล้วว่าสิ่งที่พระเจ้าทรงสอนนี้ไม่เป็นความจริงเลยเ mm hmm. ช่นทำไปแล้วจะได้สวรรค์ชั้นต่างๆทำไปแล้วจะได้เป็นพระอริยเจ้าชั้นต่างๆทำไปแล้วจะได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดทำไปแล้วจะได้ไปถึงพระนิพพาน อันนี้เป็นคําสอนที่พุทธเจ้าทรงสอนว่าถ้าทําตามที่พุทธเจ้าทรงสั่งสอนจิตใจ จ, จะพัฒนาขึ้นไปตามลําดับนะจากมนุษย์ก็จะไปเป็นเทพชั้นต่างๆจากเทพชั้นต่างๆก็จะไปเป็นพรหมชั้นต่างๆจากพรหมชั้นต่างๆก็จะไปเป็นพระอริยเจ้าชั้นต่างๆจนไปถึงพระถึงขั้นสูงสุดคือขั้นพระอรหนะันต์ หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ทรงปฏิบัติมาแล้วได้ทรงรับผลมาแล้วจึงนำเอามาสอนพวกเราด้วยความเมตตากรุณามีความสงสารที่เห็นพวกเรานี้ยังถูกกิเลสตัณหาโมหะอวิชชาหลอกให้มาเวียนว่ายตายเกิดอยู่ไม่มีวันจบสิ้น ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาตัดสรู้ทางออกจากการเวียนว่ายตายเกิดนี้จะไม่มีใครในโลกนี้รู้ได้เลยเพราะว่าคนที่จะรู้ทางออกได้นี้ต้องเป็นคนที่มีบุญบารมีมากต้องสะสมบุญบารมีมาเป็นกับเป็นกันกว่าที่จะมีปัญญาที่จะมองเห็นทางออกจากการเวียนว่ายตายเกิดนี้ กว่าที่จะเห็นปัญญาว่ากว่าที่กว่าที่จะเห็นว่าเกิดมาแล้วต้องมาแก่มาเจ็บมาตายแล้วตายไปแล้วก็ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายใหม่พวกเราขนาดนี้เรายังไม่รู้กันเลยว่าเราตายแล้วเราจะกลับมาเกิดกันที่เรามาเกิดนี่เรามาจากที่ไหนเราก็ไม่รู้กันปัญญาของพวกเรานี้แทบจะไม่มีเลย แล้วเราจะไปหาทางออกจากการเวียนว่ายตายเกิดได้อย่างไรเพียงแต่การรู้ว่าเรามาเวียนว่ายตายเกิดนี้เรายังไม่รู้เลยเมื่อเราไม่รู้เราก็เลยไม่สนใจที่จะคิดหาทางออกจากเตียงเวียนว่ายตายเกิดเรากลับชอบมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายเพราะเราคิดว่าถ้าไม่ได้เกิดก็จะไม่ได้มาทําอะไรต่างๆที่พวกเราชอบทํากันอยากทํากัน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 ก็เรามองแต่ความสุขอย่างเดียวคิดว่ามาเกิดแล้วเดี๋ยวพอโตแล้วก็จะได้ไปแต่งงานไปมีสามีไปมีภรรยาไปมีลูกไปทํางานหาเงินหาทองจะได้ไปเที่ยวไปซื้อข้าวซื้อของซื้ออะไรต่างๆที่อยากจะได้อยากจะดูก็ดูอยากจะฟังก็ฟังอยากจะดื่มอยากจะรับประทานก็ดื่มรับประทานก็คิดว่าการมาเกิดนี้ เป็นการมาหาความสุขกันแต่มองไม่เห็นรางวัลที่ติดตามมากับความสุขก็คือความทุกข์ต่างๆเวลาอยากจะทำอะไรแล้วทำไม่ได้ก็จะเสียใจเวลาได้อะไรมาแล้วเวลาเสียไปก็เสียใจร้องห่มร้องไห้บางทีเสียมากๆถึงกับอยากจะฆ่าตัวตายนี่คือความทุกข์ที่เราจะได้ จากการมาเกิดถ้าเราไม่พิจารณาเราไม่คิดอยู่เรื่อยเรื่อยเราก็จะไม่ไม่มีความอยากที่จะยุติการเวียนว่ายตายเกิดเพราะการยุติการเวียนว่ายตายเกิดนี้เราต้องยุติความอยากต่างๆซึ่งเป็นสิ่งที่เราไม่อยากเราไม่อยากจะหยุดกันเราชอบความอยากเพราะเราคิดว่าเวลาเราทําตามความอยากแล้ว เราจะมีความสุขเวลาเราไม่ได้ทำตามความอยากเราจะมีความทุกข์กันเราจึงต้องพยายามทำตามความอยากทุกครั้งที่เกิดความอยากขึ้นมาเราก็จะต้องทำมันเพราะเรารู้ว่าถ้าเราไม่ทำมันแล้วเราจะทุกข์มากนั่นเองเราจึงกลัวความอยากมากเราไม่กล้าที่จะต่อสู้กับมันเราไม่กล้าที่จะฝืนมันเราต้องยอมมันทุกครั้ง เวลามันอยากได้อะไรนี้รีบไปทันทีเลยอยากดื่มกาแฟนี่ไปเปิดตู้เอามาชงเลยอยากจะกินขนมก็ไปเปิดตู้เย็นมาหยิบมากินอยากจะไปเที่ยวที่นั่นที่นี่ก็ไปกันเลยไม่มีคำว่าไม่ไปไม่ได้เือขอไม่ไม่ดื่มไม่ได้เลอไม่กินไม่ได้เือตอนนี้น้ำหนักก็มากเกินอยู่แล้วกินไปก็ยิ่งน้ำตาลก็ขึ้นใหญ่ เดี๋ยวก็เบาหวานกินอีกอายุก็จะสั้นไม่เคยไม่เคยแยง้งไม่เคยค้านเลยพอสั่งให้ไปหยิบกาแฟก็หยิบสั่งให้ไปหยิบขนมก็หยิบสั่งให้ไปเปิดทีวีดูก็ดูสั่งให้ไปเที่ยวก็ไปทันทีไม่เคยมีคำว่าไม่ไปไม่ได้เหลอเพราะกลัวเพราะว่าเวลาไม่ได้ไปแล้วมันทุกข์นั่นเองเวลาไม่ได้ทำแล้วมันทุกข์ แต่เราไม่รู้ว่าความทุกข์ที่เกิดจากการสืนความอยากนี่เป็นความทุกข์ที่จะพาเราไปสู่ความสุขที่ถาวรที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาโกทั้งหลายท่านได้รับกันท่านยอมทุกข์กับการต่อสู้ความอยากคิดดูด้ว่าอยู่ในวังกลับไปเป็นขอทานอยู่ในป่านี้อย่างไหนจะสบายกว่ากันทําไมพระพุทธเจ้าถึงกล้าออกจากวัง แล้วไปอยู่ในป่าอยู่แบบขอทานเพราะท่านต้องการฝืนความอยากนั่นเองเพราะถ้าอยู่ในวังก็ต้องทำตามความอยากเพราะในวังนี่มีของทุกอย่างที่ความอยากต้องการอยากดูอยากฟังอยากดื่มอยากรับประทานอยากร่วมหลับนอนกับใครสามารถทำได้ตลอดเวลาแต่ทำแล้วมันหายไปหรือเปล่าความอยากความพอมันเกิดขึ้นมาหรือเปล่ามันไม่เกิด มันก็ต้องอยากไปเรื่อยๆแล้วร่างกายมันจะรับตอบสนองความอยากไปถึงเมื่อไหร่นั่งกายมันก็ต้องมีวันแก่มีวันเจ็บมีวันตายกันพอถึงเวลาแก่เวลาเจ็บเวลาตายแล้วทำอย่างไรความอยากต้องการให้เราทำแต่ร่างกายบอกว่าทำไม่ไหวแล้วถึงแม้ว่าอยากจะรับใช้ก็ทำไม่ได้แล้วแล้วตอนนั้นจะเกิดอะไรขึ้นมาก็เกิดความทุกข์เหมือนกัน เกิดความทุกข์ที่เกิดจากการไม่ได้ทําตามความอยากถ้าไม่ช้าก็เร็วเราจะต้องไปเจอความทุกข์ว่านั้นทําไมเราไม่สู้กับมันเสียแต่ตอนนี้เลยเพราะตอนนี้เรามีกําลังวังชามีความสามารถที่จะสู้กับมันได้ถ้าเราไปรอตอนที่เราแก่เราเจ็บนี่เราสู้มันไม่ไหวเราต้องมาสู้ตอนที่เรายังมีกําลังวังชาและมีเวลา เรามีเวลาที่จะสู้กับมันได้มากกว่าตอนที่เราใกล้จะตายหรือตอนที่เราเจ็บไข้ได้ป่วยเวลาจะมีน้อยและอาจจะไม่พอกับการต่อสู้ดังนั้นเราควรที่จะสู้กับมันในตอนที่เรายังมีกำลังวังชาตอนที่เรายังไม่เจ็บไข้ได้ป่วยเพราะไม่ช้าก็เร็วเราก็ต้องเจอกับความทุกข์อันนี้อย่างแน่นอนแต่ทุกแบบที่มีโอกาสได้หลุดพ้นจากความทุกข์ไม่ดีกว่าหรือ นี่คือเหตุผลที่ทำให้พระพุทธเจ้าทรงออกจากพระราชวังไปเพราะทรงรู้ว่าถ้าอยู่ในวังต่อไปก็ต้องแก่ต้องเจ็บแล้วก็ต้องตายเวลาแก่เวลาเจ็บก็ต้องเจอความทุกข์เพราะไม่สามารถทำตามความอยากได้ดังนั้นพระพุทธเจ้าบอกอย่างนั้นเราไปเจอความทุกข์เสียตอนนี้ดีกว่าเจอตอนที่เรายังมีกำลังวังชาที่จะสามารถสู้กับมันได้ ที่จะสามารถสร้างอาวุธต่อสู้กับมันได้เพราะผู้ที่จะต่อสู้กับความอย่ากนี้ต้องมีอาวุธถ้าสู้ด้วยมือเล่านี้ไม่มีวันที่จะสู้ได้อย่างพวกเราญาติโยมตอนนี้สู้ไม่ได้แล้วเพราะไม่มีอาวุธแต่พวกที่เขาออกบวชนี้เขาไปหาอาวุธมาต่อสู้อาวุธที่จะมาต่อสู้กับความอยากก็คือการภาวนาสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนานี้เอง ถ้ามีส ม, มถะภาวนามีวิปัสสนาภาวนาแล้วจะสามารถสู้กับความอยากได้จะไม่ทุกข์ทรมานจนเกินไปทุกบ้างแต่จะมีอาวุธที่จะมาบรรเทาความทุกข์ทรมานใจเวลาต่อสู้กับความอยากแล้วมันทุกข์มากเราก็ใช้ส ม, มถะภาวนาทําใจให้สงบพอใจสงบ ความทุกข์ทรมานที่เกิดจากความอยากก็สงบตัวไปชั่วคราวแต่พอเราออกจากสมาธิออกจากความสงบมาความทุกข์ที่เกิดจากความอยากก็จะโผล่ขึ้นมาใหม่ตอนนั้นเราก็ต้องหัดใช้วิปัสสนาภาวนาใช้ปัญญาสอนใจให้สู้กับความอยากว่าถ้าเราไม่สู้กับมันเราทําตามความอยากเราก็จะต้องทําต่อไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุด ถ้าเราสู้กับมันเรายอมทุกกับมันและสิ่งการทำตามความอยากก็ไม่ได้นำพาเราไปสู่ความสุขมันนำพาเราไปสู่ความทุกข์ที่รอเราอยู่ข้างหน้าถ้าเราใช้ปัญญาสอนใจเราก็จะมีความกำลังใจที่จะสู้กับมันเพราะทุกครั้งที่เราชนะมันมันก็จะอ่อนกำลังลงไปเรื่อยๆไม่นานเดี๋ยวมันก็ตายไปหายไปหมดแล้วนะมันก็จะไม่กลับมา สร้างความทุกข์ให้กับเราอีกต่อไปนี่คือวิธีการต่อสู้ความอยากของพระพุทธเจ้าและของพระอาลหลนตสาวกทั้งหลายท่านต้องออกบวชกันต้องไปอยู่ในป่าต้องไปอยู่ในที่สงบเพื่อที่จะได้สร้างอาวุธคือส ม, มถภาวนาและวิปัสสนาภาวนาเพื่อที่จะได้เอามาฆ่าตัณหาความอยากอย่างพวกเราอย่างญาติโยม น, นี้ ยังไม่มีสมถะ ภ, ภาวนายังไม่มีวิปัสนาภาวนามีก็มีนิดเดียวมีเหมือนกับฝนที่ตกเพียงแค่นาทีสองนาทีนั้นเองยังไม่ได้เป็นฝนที่ตกแบบหาใหญ่ตกแบบน้ําท่วมคนที่จะฆ่ากิเลสได้ต้องมีสมถะภาวนาวิปัสนาภาวนาแบบฝนตกน้ําท่วมจะได้ท่วมตันหาความอยากให้มัน จมหายไปหมดดังนั้นถ้าพวกเราอยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์เราต้องพุ่งเป้าไปสู่การบาเพ็ญสมถะ ภ, ภาวนาและวิปัสสนาภาวนาถ้าเราจะพุ่งเป้าไปตรงนั้นเราก็ต้องหัดละความสุขที่เราติดกันอยู่ในเพศของคารวาคือความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายหัดรักษาศีนแปดกันบ้าง การรักษาศีลแปดนี้ก็คือการฝืนความอยากนั่นเองไม่ทําตามความอยากไม่ร่วมหลับนอนกับใครไม่กินมากเกินไปไม่ดูไม่ฟังไม่เที่ยวไม่เล่นไม่หาความสุขจากการแต่งเนื้อแต่งตัวแต่งหน้าทาปากเสริมความงามด้วยวิธีการต่างๆไม่หาความสุขจากการหลับนอนมากเกินไปนอนคืนละสีห้าชั่วโมงก็พอแล้ว เอาเวลาที่นอนมากเกินไปนั้นมานั่งสมาธิจเจริญวิปัสสนาตันดีกว่าเพื่อจะได้ทำลายความอยากที่มีอยู่ภายในใจของเราให้หมดไปเราต้องตั้งเป้าหมายถ้าเราไม่ตั้งเป้าหมายเราจะไม่มีวันไปได้กี่วันกี่ปีก็เดินอยู่ที่เดิมเพราะไม่มีเป้าหมายนั่นเองถ้าเราต้องกำหนดว่าต่อไปนี้ทุกวันพระเราจะต้องถือศีลแปล แล้วหลังจากถือศีลแปดไปได้หเดือนแล้วจะต้องเพิ่มเป็นสามวันถือศีลแปเป็นสามวันพอรักษาศีลแปได้ปีหนึ่งแล้วก็จะรักษาไปทุกวันต้องทำอย่างนี้มันต้องมีเป้าหมายของการดำเนินของการปฏิบัติถ้าปล่อยให้เป็นไปาตามความพอใจแล้วรับรองได้ว่ามันไม่มีวันที่จะปฏิบัติเพิ่มขึ้นได้มันมีแต่จะปฏิบัติน้อยลงไปเสียอีก นี่คือสิ่งที่เราต้องคิดต้องทากันถ้าเราต้องการที่จะไปถึงที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายไปถึงกันเราต้องเขี่ยวเข็นตัวเราเองเราต้องผลักดันตัวเราเองถ้าเราไม่เขี่ยวเข็นไม่ผลักดันมันจะไม่ไปเพราะทางนี้มันเป็นเหมือนกับการเดินขึ้นเขามันไม่เหมือนกับการเดินลงเขาทางของตัณหาความอยากนี่มันเป็นทางของการเดินลงเขา ไม่ต้องเขี่ยวเข็นเลยเพียงแต่ปล่อยเบรกเท่านั้นมันก็ไหลพรวดลงไปแล้วแต่ทางขึ้นเขาวนี้ถ้าปล่อยเบรกแล้วมันจะไหลถอยลงมามันต้องเหยียบคันเร่งอยู่เรื่อยๆมันถึงจะขึ้นไปได้คันเร่งก็คือความเพียรความเขี่ยวเข็นใ น, ในการบังคับตัวเราเองให้ปฏิบัติให้กระทำต า, ตามคำสอนของพระพธธุทธเจ้าถ้าไม่ร่มกเราไม่ทาอีกสปีข้างหน้าก็จะเป็นเหมือนตอนนี้ เพราะมา่อสิบปีที่แล้วก็เหมือนกับตอนนี้มันก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วเมื่อไหร่เราจะได้ไปหลุดพน้นได้ไปพบกับพระพุทธเจ้ากับพระอหะรหันตสาวกกัล่าไม่มีวันเลยถ้าเราไม่เขี้ยวเข็งไม่ผักดันตัวเราเองแต่ถ้าเราเขี่ยวเข็งผักดันแล้วภายในเจ็ดปีเจ็ดเดือนนี้ก็ไปถึงแล้วพระพุทธเจ้าสอนรับรองเลยว่าถ้าเขี้ยวเข็งเจ็ดวันก็ได้ถ้าไม่ได้เจ็ดวันก็เจ็ดเดือน ถ้าไม่ได้เจ็ดเดือนก็เจ็ดปีต้องได้อย่างแน่นอนนี่คือคํารับรองคํารับประกันของคนขายรถยนต์ว่าถ้าซื้อรถยนต์คันนี้ไปแล้วใช้ไปได้ไม่มีวันพังนี่ก็คำคำรับรองของพระพุทธเจ้าว่าถ้าปฏิบัติตามคําสอนของเราแล้วรับรองได้ว่าไม่เจ็ดวันก็เจเดือนไม่เจ็ดเดือนก็เจดปีต้องได้แน่ๆแต่ต้องเขี่ยวเข็นต้องบังคับตัวเองให้ปฏิบัติ ถ้าไม่เคี่ยวเข็นไม่บังคับไม่เพิ่มการปฏิบัติไปตามลำดับจะไม่มีวันไปถึงได้ดังนั้นถ้าเรามีศรัทธาความเชื่อว่าพระพุทธเจ้านี้รู้จริงเห็นจริงและคำสอนของท่านจะนำให้เราได้ไปหลุดพ้นจริงๆขั้นต่อมาที่เราจะต้องทำก็คือเราต้องบังคับตัวเราเองเราต้องเคี่ยวเข็นผลักดันตัวเราเองเพราะไม่มีใครที่จะมาเคี่ยวเข็นผลักดันเราได้นอกจากตัวเราเอง กูบาจาย์ก็พยายามเคี้ยวเข็นแทบเป็นแทบตายมันก็ยังไม่ไปถ้าเราไม่เคี้ยวเข็นแล้วจะไม่มีใครที่จะมาผลักดันให้เราไปได้จึงขอให้เราพยายามกันพยายามนึกถึงผลอันเลิศอันกระเสริฐที่เกิดจากการปฏิบัติที่ทุกข์ยากลําบากของเราในตอนนี้ว่าเป็นการลงทุนอย่างคุ้มค่าลงทุนร้อยบาทแต่จะได้กลับมาห้าล้าน เหมืนคนที่ซื้อลอตเตอรี่เนี่ยซื้อบายเดียวร้อยบาทแล้วก็หวังจะถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งอันนี้รับรองได้ว่าถูกได้ทุกคนไม่ใช่ถูกได้คนเดียวทุกคนถ้าลงทุนยอมทุกทรมาน ก, กับการต่อสู้ตันหาความอยากรับรองได้ว่าเดี๋ยวรางวัลที่หนึ่งก็จะเป็นของเร า, เ อ, ยาน อ, นอย่างแน่นอนยังไงขอให้พวกเรามีความมั่นใจและพยายามเขี้ยวเข็งผักดัน ให้เราทุ่มเทชีวิตจิตใจให้กับการปฏิบัตินี้เถิดแล้วผลอันเลิศอันประเสริฐที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกได้รับก็จะเป็นผลที่เราจะได้รับอย่างแน่นอนการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศรีรัตนตรยัยและบุญกุศลที่ท่านได้มาบำเพ็ญกันในวันนี้